ยึดไว้ก่อนพอ้อนแล้วก็วางที่แรกท่านสอนว่าทำให้มากเจริญให้มากยึดให้มากยึดพระพุทธยึดพระธรรมยึดพระสงฆ์ยึดให้มัน่นท่านสอนอย่างนี้เราก็ยึดเอาจิงริงยึดไปยึดไปคล้ายกับท่านสอนว่าอย่าไปอิจฉาคนอื่นให้ทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง มีวัวมีควายมีไร่มีนาให้หาเอาจากของของเรานี่แหละไม่บาปหรอกถ้าไปทำของคนอื่นมันบาปผู้ฟังจึงเชื่อทำเอาจากของตอนเองอย่างเต็มที่แต่มันก็ยุ่งยากลำบากเหมือนกันที่ยากลำบากนั้นเพราะของเราเองก็ไปบ่นปรับทุก์ให้ท่านฟังอีกว่ามีสิ่งของใดๆก็ยุ่งยากเป็นทุกข์เมื่อเห็นความยุ่งยากแล้ว แต่ก่อนเข้าใจว่ายุ่งยากเพราะแย่งชิงของคนอื่นท่านจึงแนะให้ทําของของตนนึกว่าจะสบายรันทําแล้วก็ยุ่งยากอยู่ท่านจึงเทศอย่างใหม่ให้ฟังอีกว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไปยึดไปหมายมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าของใครทั้งนั้นฝ่ยอยู่บ้านเขาไปจับมันก็ร้อนฝ่ายอยู่บ้านเราไปจับ มันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นท่านก็พูดตามเราพระท่านสอนคนบ้าการรักษาคนบ้าก็ต้องทาอย่างนั้นพอช็อกไฟได้ท่านก็ชอ็อกเมื่อก่อนยังอยู่ตาเกินไปเลยไม่ทันรู้จักเรื่องอุบายของพระพุทธเจ้าท่านสอนเราต่างหากหมดเรื่องของท่านมาติดเรื่องของเราถึงจะเป็นอย่างไรก็ตามเอาอุบายทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละ มาสอนเรา